เราสร้างใจทุดคนกำหนดอไม่อยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตอย่เช่นตัวคน้น้งตัวคนนี้แต่ค้าจะนั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งต้นเรือแห่งนี้นัน่งตัวที่เรานั่งโดยเฉพาะปะัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีจะกายกับจิตเพราะนั้นแหละมีกายกับจิต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 ทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเข่นเบนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามมาทำเป็นนามอม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 เป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงอ่าภูเขาท่ามสวนเพชรนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั้นเนี่ยมุ่งติดตามไปอยู่เสมอถึงจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปจดลงที่บ้านของเราเอง อย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเบบนีอนั่งกับคนตายไม่ใช่คนต้น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 เห็นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้น่ะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปา ก, กาที่เราซื้อมาตั้งห้าร้อยบาทหรือพันบาทเรารักมันอืพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบางเอาน่ะไปวางในที่หนึ่งใช่อืมเึม้นเอาใส่ในกระเป๋าหน่ะอีกมาละหนึ่งจะไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังใช่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 รู้แนแ่ว่าเราเห็นแล้วหายช่ง ส, สายแล้วมันก็สงบนี่ความสงบเช่นนี้เดี๋ยวก็จะเห็นต้นตอมันปเป็นตัวสมุทยัยอันมันเป็นเหตุในทุกข์เกิดเราก็ทุกตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเราเป็นนิโรธหลับทุกแม่ น, นี่มันเป็นใชยย่างไีม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 อสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนมายกหินออกหญ้ามันก็เคยขึ <interdisciplinary. S 1> นอี้นี่แปลว่านนั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับมันสงบจิต fit, ไม่ใช่สงบจิตนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี้เราจะต้องที่เรนาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวัน ไปยกหินออกจากหญ้าหญ้ากตะเกิดขึ้นอืม น, นี่สงบแจ่ขาวอืสงบแจ่คาวสงบเรื่ปัญญาคือมา ย, ยกหินออกทับมันในนั้นแหละหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท่สงบกิเลสแน่นอนนี่เขเรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้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 ให้เริ่มออกจา ก, กจิตอืมจิตให้เริ่มจากจิตนอ้อจากจิตของเราไหมอืมจิตจมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงอืมคงงงมดตัวตนล่ะมนทุกค น, งงกคนอืมจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่ ร, <c oughs> มรู้ไม่รู้เยอะไม่รู้นะไม่ไม่รู้จักอะไม่รู้อืม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 นี่เอาใจไั้มันเป็นอย่างนี้หละ่ะตัวนี้แหละตัวนี้อืมที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยมันตรงกับสองชิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นพระพัดอย่างอ่าถูถ่ายกันไปกันมาจนเป็นบา้บาบา้บาบบไม่รู้เรื่องอืมอืมเราจะคิดมันไกลเลยบอกว่าตัวเรามีระไรบางมีรูป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 มันมีกี่ลากส้งตอบว่ามันมีทาาใหญ่ลากเซ็กลากเซ็กถอยมันมีนกี่ลากคนเป็นบ้าเห็นไหมอือตอบท้ลากเล็กอยเนี่ยลากถอยมันมีกี่ลากลากใหญ่มันมีกี่ลากลากเล็กมันมีกี่ลากทาไมถึงถามนี่นั่นเพราะพุทธเจ้าทันรู้แจ้งแจ้งตลอด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 ต้นไม้ต้นนี้ยรากคอยมันกินรากาากระเจงกระเร็งมันเป็นรากแต่พอละมันอาศัยรากเกล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเนี่ยเท่า น, นี้ก็พอมั้อืมถท่ น, นี้ก็พอพระพุทธเจ้าท่ากเท่า น, นี้ก็พอแล้วอืมท่านาใหให้ไปนับรากคอยต้นไม้เสียเวลาจะ น, นับมันไปทำไมมันอยู่พราะรากมันเท่า น, นี้ก็พอแล้วอืมอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้เนาะพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่าง อืมต้องไปนับหมดทั้งลากขอยมันก็เป็นบ้ากันเลยเนยอืมนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิอืมรู้ปัสญากระชัางเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมทฤีฎีก็พออืมแต่ก็ดันเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือี่รับผู้ีิรับอารมณ์นั่นแหละ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 มันกรมด้วยมันเป็นสี่เี่ยมนึงมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่นี่มันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปแับนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่กันในกานไปทนายเอาน้ำพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายอย่ารูปประธรรมนามประธรรม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 เอาถูกอีกมันก็ผิดอีกเท่านั้นเนี่มันถูกเพื่อผิดอี่เราก็แสดงฮะความผิดควมถูกอหรื อ, อแสดงเอาบุญก็ะะแสดงบาปรู้จะบุญกะบาปเรียนกันไปอืมรู้ที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่บุญนั่นนะไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักอืม เอาจะเรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นเราไม่ศึกษากันเรียนจะเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาอืมเจ้าเจอาดีชั่วไม่เอาอไม่ ม, มีชั่วมันก็ไม่มีดีกันนั่นแหล ะ, จะเจ้าไงมีดเลียนี้บางอย่เนี่ยมันมีตังคมมันมันมีตังสารมันอือนะ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 เราจะไปแยกกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วกจิบไปด้วยไงอพรพอเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษ า, า่าไอ้สิ่งที่ไมดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษาอืมันอยู่ตรงนั้นอือย่างนั้นมันก็ไม่จบอืมเอาดีไปชั่วกว็ต า, าม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 แต่เอาดีไปชั่วมันตามเนะนี่ยมุ่งไปถึงตายทางมันลกเ ง, งินจุดนงินบุญไปง่ายง่ายอ่ะยมมีรูปมาจะให้จะให้เอารักนนะน ค, นนนคนเกลียดไม่เอามันมีเืคนก็มีลูกค น, นทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตามอืมอืม ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปรรัญญาอืมให้มีปรรัญญามันตามกันมาอย่างนั้นอืมเราไปเรียนดีเรียนชั่วเพะนั้นดีดูยังไงชั่วแย่งเรียนมันละเอียดมากาสุดะเต็มรู้จักดีกับชั่วอืมเมื่อรู้จักดีจักชั่ ว, อว เ, เอาอะไรจะให้เอาเอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอา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 มันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เป็นไม่ไม่เคยเดือดกันอ่ามันก็ตปดูไปเอาดีอืมพอได้ดีดีดีดีเหมือนดีไม่รู้เรื <Yeah. S 2> ่องไปเมาด <y> ีอีกทีน <u> ี <m> ้ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วช่วยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ละแหมไม่จะไปไหนเลยเนาะนี่คือเรื่องตันดีที่สงบสงบทีื่อพักผ่อนเราสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักคู่ที่รับอารมณ์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 หมดมันเพ่งจะหมดนี่เะนั่นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปเฉกข่าวสงบไปเฉกข่าวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องอืมีผู้สืบคดีไต่ต า, ตามติดต่อตีภาควิจารเมื่อไปสงบเฉยๆเนี่มีอะไรหรอกโยมสงบอยู่ทุกท่าน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 นี่แหละเรากําลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกไ ป, ปเดีย๋ยบเอาไปนน่นแล้วนี่ตามไปอีกนี่สำนโนติเอาเรียไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอพวกเรามันเกยโรงเรีย น, นยมีนไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกเกยโรงเรียนไม่อยากไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเลยไม่อยากนั่ง <c oughs> จันไม่เอารงกาค้าญ น, นี่แหละตัวศึกษาแหลยอย่างงั้นท่านเนะ่ยเป็นนักเรียนที่เก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 เนีย่ยมันจับโน้นเ น, นี่ยมันใบนี่มันชั้นพัฒอนอย่างนี้นี่เป็นอย่างไงถ้ายมมาถึงบ้านอัตมาอัตมา ก, ก็มีดีเหมือนกันดินอัตมา ก, ก็ไม่นิเหมือนกันเนี่ยดูจับโน้นใบนี่โยมก็ไม่ลำคาสนะมะทำไมไม่ลำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเฮยดูจักเองแล้ยวยบ้าน์ฉันองเหมือนกันตรงตัวนี้ยวัดตรงพ่อเนี่ยก็เหมือนยวัดน์ยู่บ้านของผมนั่นแหละ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 ให้เราลุกจักอารมณ์ลุกจากอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะ อ, อารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังตุขังน า, าตาดังนั้นแหละลําคาญจะบึ้มมันต่างกันเราดูกันไปเราแบอย่างนั้นแหละจะนั่งที่ไหนตาหูจะโมกยิ้นตายใจเมือารมณ์เกิดสมาภูมิมันก็อย่างนั้นสมมตินเรามีมาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราก็แบบมันอย่างนั้นะ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 มันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในเนี่ยอยู่ในความเปลี่ยนแปลงลองโยมสืบโยมเขาอย่างเดียวดีไม่ให้ออกน่นอ่ะจอยู่ดีกี่นทีไหมด้วยออกอย่างเยอย้ายัยมันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมอืมนี่มันอยู่ไม่ได้จําเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วเดินมาช่ว ย, ยวบัพทันสังเ็ตเนี่ยถ้าอัดลมไปจ่ายน่นตายเหรอตอนนี้ไม่ได้ถึงหรอกอือ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 ท่านมองอินทะลุเข้าไปแ ก, แปกแ้วใบ น, นี้น ม, นมันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านในรู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็แก้วนี้มันแตกแล้วดู น, น้ำมก้าไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วนะนีความเข้าใจาของท่านไปอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกอืทําไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตก เพราะมันไม่แตกมันเป็นรูจากมากแสบแตกเพราะเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไหรมันจะแตกก่อนมัอนอก็แตกฉะนั้นท่านทําความรู้สึกอย่างนี้ต้องไปใช้แปรอะไรมีไปอีกวันหนึ่งมันดูดูแตกเพราะสบายเลยท่าไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเนี่ยเหไหมอือพายโยมี แต่ผมน่าสารดิแม่ฉันแพงมันนะโง่ยังมาทํำให้มันแตกนี่เนี่นเ่ี่ยกี่ปันชุน่ากันมาทําแตกตัวชุน่าก็ขามมันดีนะนี่เอา่ยอืมิลูกมันมาเพียดมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเองมันมาทำให้แตกข้อเราไปกันทํารบไว้มใหะน้ามันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ําสายนี่มันก็แตกตรงนั้นน่ะทําไมต้องทําสายทําระบายนวะ อาน้านแค่นี้กระบายทางข้างนี้มึงมาเต็นที่ให้มันออกไปชนิดนะฮะต้องมีทางระบายนี่อันนี้ท่านเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมอจะสงบที่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นาตะมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอ น, อนตะมาปฏิบททัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มคลองอยู่เสมอเลย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 เราจะบอกไว้แก้ไว้นี้มันแตกแล้วสมุทัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกก่อนพุภพ น, นั่นเราเห็นมันแตกก่อนแล้วครับนี่มันแตกคีหลังมันก็เลยไม่แตกเมันไม่มีทุกข์ถ้าไว้มีทุกข์มันก็เป็นมีโรธหลับทุกข์พอดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องทีนี้นายยงไม่มากรนะเรื่องทีนี้เราจะพิจารณาไปเถอะแก่มาเรื่องส่วนสามเพราะมันก็คือกายวาจาใจ อย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พินาราต่อไปนี่มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจข้างรานี่ไปพูดไ ง, ไ ง, ง่ายๆทุกทุกค น, นห้มีศีลห้าเป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปรเรียนประกายปรกหรอกโยมศีนห้นานมีใจกระใจ นดูสิน่าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่แรกมันคลาดไปเดี๋ยุดกลับมาหลักาตาิบางทีมันงบางงานมันคล า, าดไปลูกกลับมาอย่างนี้เนี่ยทุกขรัง้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ถีเขาเหมือนน้ำเหมือนน้ำเหมืนน้ำในกาหน้าเรา อปล่อยน้ามันมันไหลลงหยดตมตมตมนี่สายน้ามันขาดมันก็เล่งตานี่สิ้นให้มากน้ามันก็ได้ต่อมต่อต่มต่มต่อมตมเนี่ยเล่งขึ้นไปอีกหายต่อมเลยทีสายติดกันเลยเป็นสายน้าเลยยอดแห่งน้าไม่มีไปไหนเ่ะมันไปไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ํา มันขีดจนเกินขีดมันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ําอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เลือกอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันเป็นชีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันสั้นมันไม่ไม่ไม่รู้จัดนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะอืมมันเป็นไปอย่างนั้น อยากเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเราเนี่ยนะธรรมะลองดูืิเรียกแต่ดีใจเดียกแตเสียใจบ้างเรียกแต่พอใจบ้างเรียกแ่ไม่พอใจบอืงเรียกแต่โกรธคนนั้นบ้างเรียกแตเกียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นไงโยมให้รู้จาของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทําย่ามันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่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 เมื่อไรมันสุบจนเหืมใจเกินแต่นั้นนะมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนต้องเช่อมมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยอืถ้าเป็นเช่นนี้ยอมมีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่พยายามมีสติทำไปสัญญะอยู่เสมอถ้ายามรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูยอมจะต้อง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 ห่วงเหาเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายเลยนะในรู้จะไปทิศใต้สป็นเหงาแล้วเนี่ยอย่าเป็ น, นความกนาน็นานเัยทิมันง่วงพอสมควรนะเ น, น, เรนี่ยเบิร์มันเปลี่ยนนิญญาณหมดมันทีให้มันมีปัญญาดูนี่เนี่ยถามันง่วงเต็มทีมันฉัแล้วมันจะงวงก็ให้มันนอนซะแล้วก็ลีบลุกซะทําเตียงอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมา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 เราจะตัวไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาอะไรสังขารตัวไงก็เอาสอกปรกแล้วมันจะเต็นเมื่ อ, อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนดูสึกอยู่อย่างนั้นความสังขารมันจะภากเมื่อไรก็เอานี่ต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้ไม่เหมือนบบเดิม อย่างนี้นายยอมจะมีความสงบอสุขก็ไม่เอานายอม น, นะอืสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตมงต้นอืมให้มันหมักหมักขึ้นไปยังไงในรูเรื่องของมันบทแรกให้เราลู่ออกจาก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 อะไรมันชอบในใจของเราบอกนี่อันนี้มันไม่แเอาในที่นี่ น, นะต้นองทำพิณทุกมันใหม่เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัต like ิการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาืมเดิมก็โกรธได้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 เเมันมเนเนี่ยเราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆเลยอะไรก็อย่างนั้นแหละวันรังกระพิณายังเงินแหละอรนี้ะอันนั้นก็ยงนแหละอันนั้นก็ยังนั้นแหละภาาคเดียวเทันอย่างนั้นแหละม่ามกลางอย่างนั้นแหละเือนั่นัก็พอลมังนี่ ล้วจะไปหาอะไรจะไปหาคนธรรมะอะไรตรงไหนต้องจะต้องไปหาอ่านนะังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตัไม่รู้มันเกิเดยี่นี่จะไปหาหนอนมันจะเห็นนี่แหละหาตรงนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นแล้ว น, นั่งอย่างนี้้าแก้วชั้นนี่มันแตก <g dips> มันจะเกิดทุกข์ขมาเลยนี่นี่เห็นแล้วนะเออหือมันเกิดทุกข์มาวันนี้เกิดแล้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 อ่าลองดูิอืม